ฟังทรรกันโอกาสนี้เป็นโอกาสที่เหมาะสำหรับการพังธรรมกันอย่าทำจิดดินอย่าเพิ่ ง, ง่วงอย่าเพิ่งคิดตลอดทางอืน่นให้จัดสันเวลาใ้ แกตัวเราบ้างแล้ว ก, ก็เราก็เป็นเพื่อนกันเป็นผู้ที่แสวงหาความหลุดพ้นจากทุกท้องปวงกับชีวิตของเรานี่ก็ถือว่าบรรกาศดีเหมาะสมดีแล้วโอกาสเช่นนี้ ทุกคนก็ตั้งใจมาศึกษาหาความหลุดพ้นก็เกิดความพร้อมเพียงกันทำวัดฉุดปมชาธทุยายประสูดคำสอนของพระพุทธเจ้าและอยู่ในบรรยากาศที่ โอชนนิเวศ ท, ทางคุธศาสนาอากาศบริสุทธิ์พยายามหายใจเข้าหายใจออกเจากยาวใส่ความรู้สึกเข้าไปพร้อมทักไดยินเสียงถินเฉีย ง, ง, ยงทมไม่ซับซึมเข้าไปจิตใจด้วย อาหารไกยอาหารใจฟองกันไปหายใจเข้าหายใจออกเป็นอาหารหายปอดจะเป็นผู้ที่ผิดอาหารออกออกซิเจนเข้าไปอะไรที่เป็นคาร์บอนจะปอดจะพอกทิ้งไปทำให้อากาศดี ก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพคำสอนแต่ละคำสอนอาจจะจำได้เป็นคำสอนของพ่อแม่จำได้หลายคำสิ่งที่ท่านพ่อแม่บอกจนไม่ลืมเท่าทุกวันนี้ เมือกับพ่อแม่บอกสอนเราตลอดเวลาอายพ่ออายแม่เคารพมากอันไดที่ผิดคําสอนพ่อแม่ถือว่าอายไม่กล้าคิดไม่กล้าพูดไม่กล้า ท, ทําทําไว้ในใจอยู่เสมอคำสอนของครูอาจาันท์ วิสสัดภาษาไทยยังจำได้อยู่ยังใช้ได้อยู่รู้บุญคุณของครูอาจารย์อยู่ตลอดเวลาเพราะได้อาศัยแตน่าเราเป็นคนไทยก็เกี่ยวข้องกับวิสสัดภาษาไทยอยู่เป็นประจำก็ได้บทเรียนจากครูอาจารย์มา ทำในใจเลืมไม่ได้หนักอยู่ในหัวใจของเรานี่คำสอนของอุบชาอาจารย์ยังได้ยินอยู่ต้องเพเทียนสอนอาจารย์อีกหลายอาจารย์ที่สอนเราให้เราได้รู้เรื่องของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ลึกซึ้งลงไป แต่เมื่อยังไม่ได้ฟังคำสอนครูอาจารย์ที่เป็นบรรพหลุดปุาาารภ a j า a n หลายหลาย ล, ลูกเราก็ไม่เสือมซับถึงพุทธศาสตร์สนาอย่างแท้จริงก็ยังไม่ลืมแม้แต่นอนมาแล้วก็ลืมไม่ได้มันไม่ลืมมันของจริง โอเนี่ยยิ่งเราได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมเมื่อได้เย็นมาเอามาทำดูยิ่งวิเศษเช่นพระพุทธเจา้าสอนว่าทางไปสู่มรรคผลนิพพานประทานสายเอกคือสติปัฏฐาน ไปที่เดียวกันไปเช่นทางเดียวกันไปถึงจุดหมายปลายทางเดียวกันทางนี้เป็นทางเดินคนเดียวตัวใครตัวมันก็อย่างนี้เราก็ต้องพยายามทำตามตามอย่าง้อยเราได้ยินมากแล้วทุกคนได้ยินแล้วเออเป็นภาษาบาลีทาวัด เช้าทำวัดเย็นอริมักยองแปดบ้างทำวัดจักกว่าวัดประชตรตบ้างเกี่ยวกับทางสายนี้ทั้งนั้นที่แยกแยะไปให้ได้เป็นสิ่งแวทล้อมเพื่อให้ชำนานในทางเส้นนี้ว่ามีสติเห็นกายวเป็นประจำ เราทุกคนก็มีกายทุกคนก็มี จ, จิตใจมีสติเห็นกายอยู่เป็นประจำก า, จะการจะทำอย่างนี้คือวิชากรรมฐานก็เป็นวิชาที่เป็นเครื่องมือที่อีทธิสุดเพื่อจะทำให้เกิดความรู้สึกไปในกายเป็นประจำได้ อาศัยกายอาศัยใจไปที่ตั้งแห่งความรู้จักตัวอย่างนี้เราจึงได้หัดตรงนี้หัดเอาใครเอาเราอาศัยทำอาศัยกันมาได้ตัวใครตัวมันมนจะเกิดขึ้นเพราะการประกอบการประกอบกับการ ก, กระทํมหรือวยกรรมบาตน มีสติปัญกายเป็นประจอมทำหนึ่งลายที่จะมีสติปัญกายเป็นประจอมก็บอกแล้วสอนแล้วแต่การกระทําอยู่ที่เราเทนด้านเดียงไม่ทําเมื่อทำห น, นี้อะไรเกิดขึ้นยเยอะแยะเส้นทางที่เหมือนผิดเป็นภูเขาก้อน ไม่เดินไปได้ก็มีสะดวกก็มีคนเดินทางก็ต้องเหนื่อยไม่ลาคนทำงานก็ต้องมีการผิดพลาดผู้ที่ปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐานฝึกหัดก็ต้องมีการหลงไปบ้างผิดพลาดไปบ้างยุ่งยากไปบ้างแต่ว่าผู้ที่เดินทางก็คือต้องเดินอย่างเดียว เป็นจิตอาสาที่ต้องสมักเดินไม่เรียกร้องความช่วยเหลือเหต็ดเหนื่อยไม่ลา่าเกิดอะยขึ้นก็พยายามเปินอยู่ไบ่อยไม่โทษถอยินความหลงแล้วรู้อีกหลงที่ใดก็รู้อีกหลงกี่ร้อยข้างพันข้างก็รู้ร้อยข้างพันข้างไม่ยอมมันทุกเหมือนโศกมัน เยดมันอะไรต่างๆเกิดเพี้ยนก็รู้ไปตัวนุกดีบทเรียนที่ดีประสบการณ์ที่ดีเดินทางจายนี้สำเร็จไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆไม่ใช่อยู่ที่เก่าความหลงไว้หลังความทุกข์ไว้หลังความโกรธไว้หลังความผิดไว้หลังความถูกไว้หลังความสงบไว้หลังความพุกสัานไม่หลัง ผาได้ทุกเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นกับกายกับใจนี่ผ่านได้ทุกรูปทุกแบบดีกว่าทางสายกลางเดินคนเดียวผิดเองก็ต้องแก้เองถูกเองก็ต้องรู้เองอันไดที่ผิดก็ละอันไหนที่ลูกก็ทำไปมันเป็นอย่างนั้น การสัมผัสกับความผิดความถูกไม่ต้องถามใครเช่นเท้าเราเดินทางก็ต้องรู้จักว่าผิดแววบางเขาลุกเขกาฟังว่าเท้าเหมือนบอกเช่นขนตาบอดมันก็ยังรู้ได้ผิดทางก็รู้ได้สัมผัสเราก็รู้ได้สหัตมันก็มีสัญญา ที่ได้บทเรียนทำให้ลูกได้เป็นคนตาบอดนับเงินไว้บาทถ้าบาทฉ0บบาทไปร้อยไปพันลูกจักรหัดอะไรมันบอกมันมีความ ใบต่อระบบอื่นก็มีเล่นคนต่อบอร์ดหูหนวกอะไรต่างๆก็ต่อบอร์ดเล่นดนตรีมันมีสัญญาณที่โน้ตจับได้ดีกว่าคนต่อดีเพราะมันไม่ถูกแบ่งแยกการฝึกสติก็เหมือนกัน อาจจะมีได้ไวขึ้นความรู้สึกตัวอาจจะมาไวก่อนความหลงจึกไปเถิดไปต่อใหม่ๆมจะง่ายเสียหลงต่อไปต่อไปมันง่ายที่จะลู่ต้งกัดข้ามระหวางความหลงกับความรู้ต้องกัดข้ามเมื่อตะใส่ใจดีๆชั้งหน่อยให้ซึมซับรับผดัส มันเป็นอย่างไรทุกเป็นไังไงให้ทุกคือรู้จึกตัวเป็นยังไงไม่ต้องมีใครมาบอกผู้ปฏิบัติจะต้องฝึกเองเห็นแดงรู้เองเป็นปัจจัตตังอย่างนี้เรียกว่าผลของการปฏิบัติทําไรต้องมีผลโดยเฉพาะปฏิบัติฝึกสติ เหมือนหนอโพธิหนอนี้โพธิตั้งต้นจากสติสติต้องมีในกายจึงจะเป็นสติปัฏฐานต่อไม่ประกอบก็ไม่เกิดขึ้นได้ตรวชื่อไปหาไม่ได้ประกอบขึ้นมา ที่วัาภาวนาขยันประกอบขยันรู้ที่วาภาวนาทำได้แข่งกับความหลงมีคู่แข่งความหลงกับความรู้คู่แข่งกันความทุกข์กับความไม่ทุกข์คู่แข่งกันความโกรธความไม่โกรธคู่แข่งกันทำคู่แข่งกุศลอกุศล มันจะชำนาญตรงนี้บอกผิดบอกถูกเพราะมันได้สัมผัสจึงเป็นศาสตร์เป็นศิลการชำนาญเรื่องนี้มันเป็นศิลเป็นสมาธิเป็นปัญญาศิลก็ทำ้อยกิเลส ความเช่าหมองความไม่ถูกต้องให้เกิดความถูกต้องขึ้นมาสมาธิก็ทำลายปัญญาทําบายสิ่งที่ไม่ดีให้เกิดขึ้นมาเป็นความดีเป็นปัญหามันก็ได้ปัญญาจากปัญหาได้ความรู้จากความหลงได้ความรู้จากความทุกข์ได้ความรู้จากความโกรธแต่ความนั้นปล่อยสิ่งไม่ดีไว้กับกายกับใจ จอมจึงไม่ดีมาเท่าไหร่สัญญามันติดมาเท่าไหร่วิญญาณมันติดความไม่ดีมาเท่าไหร่ติดความโกรธก็มีติดความทุกข์ก็มีล้โกรธก็ลืมไม่เป็นก็มีทุกข์ก็ลืมไม่เป็นก็มีเป็นคนอมทุกข์รูปทุกข์น้อมทุกข์แทนที่จะเป็นรูปไม่ทุกข์น้อมไม่ทุกข์นัก มันถือมันอุปทานหรือว่าตัวเรายึดเอาความทุกมาเป็นตัวเป็นตนทมตามค ม, ท, มทุกเชื้อผู้เชื้อคนก็มีเพราะเราไม่รู้แบบนี้เรามาลูชักตัวเนี่ยเมื่อเกิดสินเกิดสมาธิเกิดปัญญาขึ้นมาสินก็มาช่วย สมาที่มาช่วยปัญญามาช่วยเป็นแรงเป็นเครื่องทุ่นแรงเพิ่มขึ้นการขับเคลื่อนชีวิตประชูความดีความรุ่งเรง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นเร่นงพูดภาษาศาสนาหด้วยเรื่องฌานเรื่องยานเึืองอะไรต่างๆจะแท้ความจานานสตินี่เองสติเป็นยานขนส่ง สติเป็นชานเผาไหมสติเป็นชานที่ดูอะไรเห็นทันทีสตินี่แหะเป็นชานอย่างยิ่งสติมันใบเนี่ยไม่มีอะไรเหลือว่าอ ก, อากุศลนี่ บ, บ่ทีเดียวไม่ไปเลยดู้ว่าฌานว่าเรียกว่าชาปนกิจอันนี้เป็นชานที่เผาเพ่งเผา ให้ซากศกที่ชงปกหมดไปการที่เปเพ่งเผาความไม่ดีที่มันเกิดขึ้นในกายก็ไปหมดไปเหลือแต่ความดีนี่มันมีหลายอย่างที่เราเรียกว่าเป็นภาษาสมมุติปัญญาเพื่อให้คนเข้าใจแต่จริงๆมันคือสติที่มันสติ ปัฐานเป็นสติอันยิ่งที่ว่าศีลยิ่งสมาธิยิ่งปัญญายิ่งศีลที่ขันสมาธิขันปัญญาที่ขันทีเข้าไปหรือว่าแจงเ่รงหาที่เซียนได้ไม่มีคำว่าทุกจากเศีลทุก์มีคำจัดทุกเท่โพาิ ทุกทอนนนเกิดขึ้นมิแต่ทุกทอ น, นตั้งอยู่มิแต่ทุกทอ น, นดับไปเมื่อไม่มีทุกข์มันก็ไม่มีอะไรเราคีวิตนี้คือเป็นนิพพานไปเลยสติมันจะไม่ใช่สติธรรมดาเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาไปเกิดจากสตินี่เป็นที่ตั้งของสต อ ก, กุศลของกุศลทั้งหลายสตินี่ทำลายกุศลทำลายอ ก, กุศลากกลื่นมันแข็งบางที่จิงจะพูดมันหลังมามพูดให้ไม่ทันมาเป็นหมูเป็นหมูมาพอมันก็นไม่ลื่นมันเลยแข็งไปไม่เคยได้ เสีย ง, ก, ย ง, ง, งก็ไม่ค่อยจะดีต้องใช้พลังงานมากไม่ค่อยสะดวกผู้ฟังก็จะไม่ไม่ค่อยสะดวกเพราะภาษาบางทีมันลี่นเหมือนเต้าบัดไปก่อนทัน ก, การพูดไทยไม่ทันจึงเป็นเฉลยประกอบเลยกเล็กน้อยการพูดกันบอกเนี่ยจยากจะพูดจะจะบอกอดไม่ได้เราถ้าไม่ไม่บอกทาไมจะบอกผิดบอกผูกถูกแต่ผู้ต่คนเราปล่อยกันทิ้งไม่ได้ปล่อยกันทิ้งไม่ได้ไดเรื่องนี้คอขาดบาดตาย ถ้าผิดก็ผิดไปเลยทดลองไม่ได้กายของเราใจของเราถ้าโกรธก็โกรธไปเลยแล้วเอาคิดนไปได้ทดลองให้โกรธ ใ, ให้ทุกข์ไปได้ถ้าปล่อยให้มันโกรธมันทุกข์มันหลงอยู่มันก็ไปไกลเวลากุศลทับท่วมกุศลหายบอดไปก็มีจึงปล่อยกันทิ้งไม่ได้นั้นผิดทาง เียดยชีวิตบริสุทธิ์ดีไปเปืเ้อ น, เ, นเหมือนของใชด้ดีๆเคยเก็บมีดเยู่ที่บวร์ป่าสก โ, โตได้หลายเล่มมีดดีดทิ้งเอาไปใชา้ไ้ผูก็ขท้องก็มีเดเนเก็บเอาที่นี่ของดีมันมีอยู่แต่ว่าไม่ใช่ ไม่รู้จักซ่อมแซมในชีวิตของเรานี่ก็เหมือนกันในความหลงมันก็มีความไม่หลงอยู่ในความทุกข์มันก็มีความไม่ทุกข์อยู่ในความโกรธก็มีความไม่โกรธอยู่จึงเป็นคู่น่าจะไม่จนเรื่องนี้กัน ไม่ขวรที่จะไปให้คนเห็นถึงกับเบียดเบียนคนอื่นทุกคนควบคุมได้ต่อไมควบคุมพวกนั่นละเกิดปัญหาเกิดตัวบทกฎหมายเกิดจต่วุฒิเกิดกองทัพเกิดคุกเกิดตลองขึ้นมาเพราะไม่รู้จักควบคุมความชั่วความไม่ถูกต้องที่เกิดกับกายกับใจเรานี่จนไปเบียดเบียนคนอื่นทำไมตัวเองไปทุกข์แล้ไม่พอ ต่เม็คนอื่นล่อนอีกไปทั้งโลกเม็ดินป่าไม้อากาศแม่น้ำสูญเชีเ้หมดเป็นเฉลี่ยรวมตกมาเป็นเฉลี่ยรวมจรับโทษเท่าๆกาันเรื่เรียนพ่ออากาศพ่อผลสุรทาไม่ถูกต้องตามฤดูกาล เพราะคนทำไม่ถูกต้องทําลายธรรมชาติผู้ที่ไม่ทําลายธรรมชาติก็ได้รับความเดือดร้อนแต่นี้เป็นเรื่องเรียบด่วนต้องดีคนเดียวไม่ได้มันจะเป็นโทษรวมกัน ส่วนวที่เกิดกับเราเป็นสวนตัวแต่เป็นสวนรวมถ้าเป็นความชั่วต่อความดีก็เป็นสวนรวมที่เกิดความดี น, นี้ทิ้งกันไม่ได้เรื่องนี้ต้องรีบแก้ไขบอกผิดบอกถูกต่อกันละกันมาอย่างไยก็จะพยายามแก้มาอย่อางไรก็ไม่โทษไปทิ้ง อยากเป็นมีตรเป็นเพื่อนผู้ที่มีปัญหาผู้ที่มีปัญหาผู้ไม่มีปัญหาก็ยิ่งมาเป็นเพื่อนกันก็ดีจะได้ประครับประครองกันไปพี่รู้สองน้องรู1หนึ่งลงสลับส น, นุนของเคีย่ยวกันไป อาจจะมีชายชนะเนกิความดีขึ้นในโลกนี้แน่นอนไม่สายเกินไปไม่นานจะเกินไปเพราะอยู่ที่คนเราทุกคนเธอทุกคนเรามาแค่ไขปฏิบัติเปลี่ยนล้าเป็นดีซะก็เกความดีขึ้นไม่นานไม่รอนานจะเกินรอคนไทย กสิบว่าล้านคนนี่ทุกคนนับหนึ่งจากตัวเราเนี่ก่อนก็เกิดขันที่สุขสงบลมเย็นไปทั้งประเทศปฏิบัติธรรมนี่แหละเป็นจุดหมายปลายทางเริ่มต้นที่ดีท่ามกลางที่ดีจุดหมายเปิทางที่ถูกต้องที่จุดไปที่เดียวกันจริง ถึงที่เดียวกันจริงๆไปคนเดียวจริงๆดืวยกันไม่ได้จริงๆมีแต่มาบอกว่าเป็นเพื่อนเป็นมิตรจัดสถานที่ให้เอาจริงๆแล้วตัวใครตัวมันเป็นครูอาจารย์ของตัวเราเองไม่มีใครไม่มีใครช่วยเหลือเราได้พุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้ เส่นพระฉันนะึ่งพาพระสิทธาจะออกฝันนวดแต่ยังไม่เป็นพระเจ้านนจนได้สิทธาได้ปรัสลูปเป็นพระเจ้าสนักบวชต้อม ก็ได้ฟังคำสอนทุกเรื่องทุกเาวาแต่ฉันนะไม่ปฏิบัติยกตัวเทียมท่านทิฏฐิวาณนะว่าเป็นผู้นำพาออกปวดปวดร้างพิกพูุอื่นๆจนพิสูจอื่นๆตักเทือนแล้วก็ไม่ยอม เฉยนาบดีไส้ขวบมกคันลาสาริบุตอานนท์เพืจึงเป็นาชาติเดียวกันก็เท่านก็ไม่เชื่อฟังอย่าเอาที่พระเจ้าจงแต่งตั้งเป็นอุปถักมาคูอย่าเอาพวกเป็นสาวกใส้ขวบมาคูเรามันยิ่งใหญ่กว่าท่าน พระพุทธเจ้าจะบวชท้องบ่นบ่ทั้งแรกที่สุดท่านจะรู้เรื่องอะไรไม่เชื่อฟังใครจนพระเจ้าปริิยพานจนใกล้ปริพภานสงไปถามส่อตัวไปทูลถามพระพุทธเจ้าจะทําไงกับพระฉันดานี้พระเจ้าก็บอกว่าปล่อยทิ้งซะอย่าไปเจี่ยวข้อง อย่าตักเตือนอว่ายิ่งอยู่คนเดียวแือว่าอย่างไรก็เขาว่าไปแต่ปานนั่นก็มีพระเจ้าช่วยไม่ได้ตั้งที่เป็นสาชาติคือฉันนะมากันท ก, กะเพียงพาสิมหาโพการุทายีเป็นสาชาติเกิดบรนเดียวกันปีเดียวกัน เวลาเดียวกันเจ้าโทธนะนำมาอยู่ที่ราชเช้บาบังบ้านันก็ยังสอนไว้ได้ตจึงเป็นตัวไขตัวมันโอกาสก็มีแล้วแล้วพยายามหาโอกาสจะทอตุระ ไม่สนใจเรื่องนี่ชีวิตจะไม่ีค่าถ้าไม่ศึกษาเรื่องนี้จะไม่มีค่าที่ไม่คุ้มค่าเลยจะได้พูดสักคำหรือว่าสมนึกได้สักคำเอาแล้วตั้งแต่บัด น, นี้เป็นต้นไปเพราะว่าความสุขความทุกข์เกิดจากใจนี่จะไม่มีอีกแล้วเกิดจากกายจากใจมัมีอีกแล้ว จะไม่เอากายอาใจมันเป็นสุขเป็นทุกข์อีกแล้วจะไม่เอากายอาใจนี้ไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนอีกต่อไปแล้วคุ้มค่าแล้วที่พ่อแม่ให้กนเนิดเกิดมาคุ้มค่าแล้วยกมือไหว้ตัวเองคิดถึงบุญคุณพ่อแม่คิดถึงทุกสิ่งทุกอย่างให้สา น, นึกขึ้นมาอย่างนี้จริงๆดูสิจะเกิดอะไรขึ้นในโลกเนี้ย แต่เรามาคิดแต่เรื่องอื่นแตเรื่องดีเรื่องดนเป็นเรื่องอื่นชนะแต่เรื่องอื่นไม่ชนะตัวเองนี่แล้วก็ไม่ชนะประเสะเริฐเจ้าสนสฉนชนะตัวเองนี่เป็นชนะประเสริฐชนะคนอื่นลอยข้างพันหนไม่ชชนะจนแม่ข้างเดียวเจา้าสนะเฉินเรื่องนี้มาก ก็มันหลงก็บรู้เนี่ยวิธีที่เอาชนะตัวเองมันโกรธขึ้นมากับรู้มันทุกข์ขึ้นมาก็บรู้มันสุกก็บรู้มันทุกข์ก็บรู้ไปทางนี้ไปทางนี้อย่าให้หลงเป็นหลงยายทุกข์เป็นทุกข์มีจริงๆอ่ะถ้ามันมีให้เห็นความหลงก็มีให้เห็นนั่นละงานเรางานชอบแล้วเปลี่ยนหลงเป็นรู้เป็นสงเป็นรู้ในงานชอบแล้วไปทางนี้อย่าทิ้งงานอย่าทิ้งทางนี้ อะไรเกิดขึ้นมาก็รู้อะไรเกิดขึก็รู้จากตัวเนี่ยเข้าวงหนึ่งอาจจะได้ผ่านความไม่ดีมากมายหลายอย่างดูดีๆจะได้บทเรียนมีแต่มีค่ามีประโยชน์ที่เกิดจากาจาการจัดใจของคนดีมีประโยชน์บ้างปัญญาก็เกิดจากที่นี้มักพุ่นิพานเกิดจากที่นี่ ไม่ใช่ไปอยู่ที่ที่ไหนบ้านใดเมืองใดอยู่ที่การก้วงซอกจะวาหนาคืบิจยาและจิตใจเียยังเป็นๆอยู่เนี่ยประกอบขึ้นมาทามันเย็นชนิดจะได้ร่มค่ากับชีวิตผู้ดใดไม่รู้เรื่องนี้เกิดมาร้อยวันก็ไม่มีประโยชน์รอยปีก็ไม่มีประโยชน์ ถ้าผูใ้ใดมารู้เรื่องนี้เกิดมาแม้ไม่กี่วันก็มีประโยชน์คุ้มค่าสมกับพ่อแม่ให้กำเนิดกันมาแทนบุญทดตอบคุณแทนบุญพ่อแม่ถึงอยากจะเป็นเพื่อนเป็นมิตรในเรื่องนี้ทุกชีวิตที่มาอยู่ร่วมกันผู้อยากไว้หมาขอให้บ้า จะมาแล้วก็ปฏิบัติอยู่เป็นฉุกอย่าเบียดเบียนกันอย่าทะเลาะวิวาทกันอย่าเอาลดอเอาเปรียบกันเห็นดุเห็นใจกันเป็นที่พิงพาใส่ชิงกันและกันนี่แล้วก็แบ่งกันอยู่กันใช้กันชาร์นผู้ประมาทก็ช่วยเราก็ช่วยผู้ประมาทช่วยมิผู้ประมาท รักษามิตรผู้ประมาทรักษาทรัพย์สมบัติของมิตรผู้ประมาทเตือนกันในทางดีให้อยู่เรื่อยๆท้าติ้งกันเราก็อยู่กันวันเดนกว้างขวางใหญ่มางกีเราก็ไม่เห็นให้จับคู่คู่กันให้พบกัน วันทุกวันทุกวั น, วนคู่สามคู่สี่คนลูกห้าคนถูกคนห้าคนก็คุย ก, กันทุกวันให้เห็นหน้ากันทุกวันทําไม่เห็นหน้าก็าถามหาเมื่อไม่เห็นหน้ากันถามใครซามกันไม่รูก้ก็ได้จะได้ติดตามจะได้ช่วยกันเจ็บไข้ได้ป่วยจะไม่ได้ผิดพลาดเจ็บป่วยก็ไม่เทอากัทิ้งกันบอกกัน แก้ไขแถีดกันถ้าไม่รู้จักแก้ไขก็บอกประ่อกกันไปคือไม่ทอดมาทิ่งกันเป็นมิตรีจะหายดีเพื่อ ด, ดีสิ่งแวดล้อมดีเป็นมรรคผลนิพพานได้ต้องขวนเจวลากนะรับพระท้อมกัน